หมวดที่สองอุโบสถคันธ ก, กะหมวดว่าด้วยอุโบสถพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพแคว้นมคธเห็นนักบวชลัที่อื่นประชุมกันกล่าวธรรมะในวันสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำและแปดค่ำแห่งปักมีคนไปฟังธรรมมีความรักความเลื่อมใสทำให้นักบวชเหล่านั้นมีผู้เข้าเป็นฝักปาย ทรงรารพจะให้ภิกษุในพระพุทธศาสนาทำอย่างนั้นบ้างจึงเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลพระราชดำรินั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงอนุมัติประธานพระพุทธานุญาตให้ภิกษุทั้งหลายประชุมกันในวันส4ค่ำ15ห้าค่ำและ8ดค่ำแห่งปักครั้งแรกภิกษุทั้งหลายประชุมกันแต่นั่งนิ่ง ชาวบ้านจะฟังธรรมก็ไม่ได้ฟังจึงติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงอนุญาตให้ประชุมกันเพื่อกล่าวธรรมหรือธรรมะการสวดปาติโมกเป็นอุโบสถกรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงดำริว่าสิกขาบทที่ทรงบัญญัติแก่ภิกษุทั้งหลายควรอนุญาตให้สวดเป็นปาติโมก การสวดปาติโมกนั้นจัดเป็นอุโบสถกรรมคือการทําอุโบสถของภิกษุเหล่านั้นจึงทรงบัญญัติตามที่ทรงพระดํารินั้นและทรงแสดงวิธีสวดปาติโมกเริ่มต้นแต่กิจเบื้องต้นข้อกําหนดเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับปาติโมกหนึ่งภิกษุทั้งหลายสวดปาติโมกทุกวันตรัสห้ามและปรับอาบัต ท, ทุกกฎ แก่ผู้ทำรรเช่นนั้นทรงอนุญาตให้สวดเฉพาะวันอุโบสถ 2. ภิกษุทั้งหลายสวดปาติโมกสามครั้งต่อหนึ่งปักคือกึ่งเดือนคือในวันสิค่ำสิห้าค่ำและ8ดค่ำตรัสห้ามและปรับอบาบัติทุกกฎแก่ผู้ทำเช่นนั้นทรงอนุญาตให้สวดปาติโมกเพียงครั้งเดียวต่อหนึ่งปักคือในวันสิี่ค่ำหรือสิห้าค่ำ 3. ภิกษุฉับ พ, พักขี่สวดปาติโมกเฉพาะในพวกของตนตรัดห้ามและปรับอาบาัตทุกกฎแก่ผู้ทมเช่นนั้นทรงอนุญาตให้ทำอุโบสถโดยพร้อมเพรียงกันสภิกษุทั้งหลายสงสัยว่าจะกำหนดเขตพร้อมเพรียงกันในอาวาดหนึ่งหรือถือเขตแผ่นดินทั้งผืนตรัดให้ใช้อาวาาเดียวกันเป็นเขตสามัคคี หาพระมหากัปปินะผู้เป็นพระอาหารหันต์คิดว่าท่านบริสุทธิ์อยู่แล้วจะควรได้ทำอุโบสถสังฆกรรมหรือไม่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงตรัสตอบว่าถ้าเธอไม่สักการะเคารพนับถือบูชาอุโบสถแล้วใครเล่าจะทำเช่นนั้นและตรัสสั่งให้ไปทำอุโบสถสังฆกรรมหก ภิกษุทั้งหลายสงสัยว่าอาวาสเดียวกันนั้นกาหนดอย่างไรจึงทรงอนุญาตให้สมมุติคือประกาศสีมาหรือเขตแดนโดยกำหนดภูเขาก้อนหินป่าไม้ต้นไม้หนทางจอมปลวกแม่น้ำหรือแอ่งน้ำเป็นเครื่องหมายหรือนิมิตแล้วทรงแสดงวิธีสวดสมมติสีมาด้วยเครื่องหมายเหล่านั้น 7. ภิกษุฉับ พ, พักขี่สมมุติสีมาคือประกาศเขตแดนใหญ่เกินไปสี่โยศบ้างห้าโยศบ้าง6โยศบ้างภิกษุทั้งหลายมาพอดีสวดปาติโมกก็มีสวดจบแล้วก็มีกำลังสวดอยู่ก็มีจึงทรงห้ามสมมุติสีมาใหญ่เกินไปทรงปรับอาบัต ท, ทุกกฎแก่ผู้ฝ่าฝืนแล้วทรงอนุญาต ให้สมมุติสีมาอย่างใหญ่เพียงสามโยน์ 8. ภิกษุฉัพพัขีสมมุติสีมาริมฝั่งน้ำภิกษุที่มาทำอุโบสถบาดจีวรถูกน้ำพัดจึงตรัสห้ามสมมุติสีมาเช่นนั้นทรงอนุ ญ, ญาตให้ทำได้ต่อเมื่อมีเรือจอดอยู่เป็นประจำหรือมีสะพานทอดอยู่เป็นประจำเก ภิกษุทั้งหลายสวดปาติโมกต์ตามบริเวณไม่มีที่สังเกตภิกษุที่เป็นอาคัรตุ ก, กะคือผู้มาจากที่อื่นไม่รู้ว่าทาอุโบสถกันที่ไหนจึงทรงอนุญาตให้สมมติโรงอุโบสถทาอุโบสถจะเป็นวิหารคือกุฏิที่อยู่อาศัยหรือเพิงหรือปราสาทคือเรือนเป็นชั้นหรือเรือนโลนคือหลังคาตัดหรือถ้ก็ได้ สิบพิสูตทั้งหลายสมมุติโรงอุโบสถสองแห่งในอาวาสเดียวกันตรัสห้ามและตรัสแนะให้สวดถอนโรงอุโบสถเสียหลังหนึ่งคงให้ใช้เพียงหลังเดียวสิบเอดิสูตทั้งหลายสมมุติโรงอุโบสถเล็กเกินไปมีพระมาประชุมมากบางรูปต้องนั่งนอกเขตพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นอันธรรมอุโบสถ และได้ตรัสแนะให้กำหนดเครื่องหมายหรือนิมิตแล้วประชุมสงฆ์วสวดสมมุติหน้ามุกอุโบสถขยายให้ใหญ่ออกไปตามต้องการ 12. ภิกษุบวชใหม่มาประชุมก่อนในวันอุโบสถนึกว่าพระเทระคงยังไม่มาจึงกลับไปกว่าจะได้ทำอุโบสถก็กลางคืนจึงตรัสอนุญาตให้ภิกษุที่เป็นเทระ มาประชุมก่อนในวันอุโบสถ13มีวัดหลายวัดในเขตสีมาเดียวกันภิกษุทั้งหลายต่างวัดต่างทาอุโบสถพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงให้รวมทมแห่งเดียวกันไม่ให้แยกกันทา14ตรัสอนุญาตให้สมมุติสีมาเป็นเขตอยู่ร่วมกันทำอุโบสถร่วมกัน โดยให้เป็นเขตไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรคือภายในบริเวณสีมานั้นไปไหนได้ไม่ต้องนำจีวรติดตัวไปด้วยครบสำรับและให้สมมุติเว้นเขตบ้านและเราแวกบ้านเพื่อไม่ให้เก็บจีวรไว้ในบ้าน15ตรัสอนุญาตว่าเมื่อสวดถอนคือเลิกใช้ให้ถอนเขตอยู่ปราศจากไตรจีวรก่อน แล้วถอนเขตอยู่ร่วมกันทีหลัง 16. ถ้ายังไม่ได้สมมติสีมาให้ใช้หมู่บ้านหรือนิคมที่อยู่นั้นเป็นคามสีมาและนิคมสีมาได้แล้วอนุ ญ, ญาตให้ใช้เขตที่พ้นระยะน้ำศาสถึงในแม่น้ำเป็นอุทากุกเขปสีมาคือเขตวักน้ำศาสเป็นเขตลอยเรือหรือแพ หรือปลูกโรงทาอุโบสถได้กลางแม่น้ำทะเลหรือสระน้ำแต่ไม่อนุญาตแม่น้ำทะเลหรือสระน้ำทั้งหมดเป็นเขตสีมา 17. ตรัสห้ามมิให้สมมุติสีมาคาบเกี่ยวกันให้มีชานของสีมา 18. ตรัสอธิบายว่าวันอุโบสถสิบสี่ค่ำก็มีสิบห้าค่ำก็มี กลางเดือนเป็นส5ห้าค่ำปลายเดือนเป็นส4ค่ำบ้าง15้าค่ำบ้างสุดแต่เดือนขาดเดือนเต็ม 19. ตรัสอธิบายหลักเกณฑ์เรื่องสวดปฏิโมกย์ย่อเมื่อมีเหตุสมควรสิบอย่างเกิดขึ้นย0สภิกษุที่จะกล่าวธรรมะต้องได้รับเชือ้อเชิญทรงอนุ ญ, ญาตให้พระเทระกล่าวธรรมะเอง หรือเชิญภิกษุอื่นกล่าวธรรมะ21ตรัสอนุญาตให้มีการสมมุติผู้ถามพระวินัยและผู้ตอบพระวินัย22ตรัสอนุญาตให้ขอโอกาสก่อนแล้วจึงโจทย์อาบัติ23ในการทำกรรมเป็นการสงทรงอนุญาตให้ค้านได้ให้แสดงความเห็นได้ อธิษฐานในใจว่าไม่เห็นด้วยในเมื่อคนเดียวค้านเข้าจะยุ่งยาก 24. ตรัสห้ามมิให้แกล้งสวดปฏิโมกไม่ให้ผู้อื่นได้ยินถ้ามีเสียงผิดปกติและพยายามแล้วไม่เป็นอาบัติหตรัสห้ามไม่ให้สวดปฏิโมกโดยมีขรืหัสปนอยู่ในบริษัท 26. ภิกษุผู้ไม่ได้รับเชื้อเชิญตรัสห้ามไม่ให้สวดปาติโมกส่งอนุญาตให้พระเทระเป็นใหญ่ในเรื่องปาติโมกจะสวดเองหรือให้ใครสวดก็ได้ 27. พระเทระสวดเองไม่ได้จึงทรงอนุญาตให้พิกษุผู้ฉลาดสามารถเป็นใหญ่ในเรื่องปาติโมก 28. พระทั้งวัดไม่สามารถสวดปาติโมกได้ให้ส่งภิกษุรูปหนึ่งไปเรียนจากอาวาสใกล้เคียงจะโดยย่อหรือโดยพิสดารก็ตามให้พระเถระเป็นผู้ใช้ไปผู้ถูกใช้ขัดขืนในเมื่อไม่ป่วยไขย้ต้องอาบัตทุกกฎ29ตรัสอนุญาตให้เรียนปักขะคณานาคือการคำนวณปักได้ทุกรูป เพื่อบอกดิถีแก่คนทั้งหลายได้ส0ตรัสอนุญาตให้เรียกชื่อให้จับสลากเพื่อนับจํานวนภิกษุในวันอุโบสถสิอตรัสอนุญาตให้ปัดกวาดปูอาสนะตามประทีปตั้งน้ำดื่มน้ำใช้ในโรงอุโบสถโดยให้พระเทระเป็นผู้สั่งการ 32. ตรัสห้ามภิกษุที่จะไปที่อื่นโดยไม่บอกลาอุปชายะหรืออาจารย์ให้อุปชายะหรืออาจารย์สอบสวนว่าจะไปไหนไปกับใครถ้าเห็นไม่สมควรก็ไม่ให้อนุญาตถ้าไม่อนุญาตขืนไปต้องอาบัตทุกกฎ 33. ภิกษุผู้ทรงความรู้ประพฤติตนดีมาให้ต้อนรับด้วยดี ถ้าเมตต้อนรับต้องอาบัตทุกกฎ34ถ้าไม่มีใครสวดปฏิโมกได้เลยและไม่สามารถจะส่งใครไปเรียนวิธีสวดห้ามอยู่จำพรรษาร่วมกับภิกษุเหล่านั้นถ้าขืนอยู่ต้องอาบัตทุกกฎ35ภิกษุเป็นไข่ตรัสให้บอกความบริสุทธิ์แก่ภิกษุรูปหนึ่งเพื่อนำไปบอกแก่สง ถ้าไม่มีผู้รับไปบอกให้นําขึ้นเตียงขึ้นตังหามไปทำอุโบสถไม่ให้ทำอุโบสถแยกกันถ้าให้เคลื่อนที่อาพาธอาจกําเริบหรืออาจถึงมรณะภาพให้สงไปทำอุโบสถที่ภิกษุรูปนั้นแล้วตรัสให้ภิกษุผู้รับบอกปาริสุ์ต้องไปบอกแก่สงให้จงได้ถ้าไปไม่ได้เองให้มอบหมายผู้อื่นบอกแทน 36สในสังฆกรรมอื่นจากอุโบสถถ้าภิกษุเป็นไข้ตรัสอนุญาตให้มอบชันทะและมีเงื่อนไขคล้ายอุโบสถชันทะคือความพอใจมอบให้สงฆ์ทำกรรมไปโดยตนไม่ต้องร่วมด้วยสาเ็ 37. ในวันอุโบสถถ้ามีสังฆกรรมอื่นด้วยตรัสอนุญาตให้ภิกษุผู้บอกความบริสุทธ์นั้น บอกให้ฉันทะด้วยส8ภิกษุถูกญาติจับตัวถูกคนอื่นๆจับตัวไม่สามารถร่วมทำอุโบสถได้ให้เจรจาขอตัวมาทำอุโบสถถ้าเจรจาไม่สำเร็จให้นำออกให้พ้นเขตสีมาเพื่อให้สงทำอุโบสถห้ามทำอุโบสถทั้งที่มีพิกสุอื่นอยู่ในเขตสีมาแต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 39. ถ้าในอุโบสถหรือสังฆกรรมอื่นมีภิกษุเป็นบ้าให้สงสวดสมมุติเพื่อจะได้ทำอุโบสถหรือสังฆกรรมอื่นโดยไม่มีเธออยู่ด้วย 40. พระมีสี่รูปตรัสอนุญาตให้สวดปฏิโมกถ้ามีสามรูปหรือสองรูปให้ประชุมกันบอกความบริสุทธิ์แก่กันและกันเรียกว่าปาริสุทธิอุโบสถ ถ้ามีรูปเดียวให้ปัดกวาดสถานที่คอยภิกษุอื่นเมื่อไม่เห็นมาให้อธิษฐานคือตั้งใจระลึกว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถถ้าไม่ทำต้องอาบัตทุกกฎสีอมิให้ทำอุโบสถทั้งที่ยังมีอาบัตให้แสดงอาบัตก่อนแล้วจึงทำอุโบสถถ้าสงสัยในอาบัต ก็ให้บอกแก่ภิกษุรูปหนึ่งก่อน 42. ถ้าภิกษุที่ต้องอาบัต์เนเหมือนกันแสดงอาบัตเช่นนั้นแก่กันคือสภาคาบัตถ้าแสดงหรือรับต้องอาบัตทุกกฎ 43. ถ้าระลึกได้ว่ายังมีอาบัตอยู่หรือสงสัยว่าจะต้องอาบัตใดๆในขณะฟังปาติโมก ให้บอกแก่ภิกษุที่อยู่ใกล้เพื่อรับทราบไว้เมื่อเสร็จอุโบสถจะได้ทำคืน44ถ้าสงต้องสภาคาบัตคืออาบัตในเรื่องเดียวกันทั้งวัดให้ส่งพระรูปหนึ่งไปแสดงที่วัดอื่นถ้าไม่มีวัดใกล้เคียงให้ไปกลับภายในเจ็ดวันเพื่อหาที่แสดงอาบัตของส่วนรวม สี่บห้าถ้าส่งทั้งวัดต้องอาบัตเรื่องเดียวกันแต่ไม่รู้ชื่อหรือต้นเขาแห่งอาบัตให้สอบถามภิกษุผู้รู้วิไนที่เดินทางมาพักแล้วแสดงคืนเสียแต่ถ้าได้ไต่ถามพูดจากันแล้วภิกษุทั้งหลายยังไม่ยอมแสดงอาบัตเพราะยังไม่เชื่อเป็นต้นก็ให้ปล่อยไว้ไม่ต้องว่ากล่าวสี่สหก แล้วส่งแสดงเงื่อนไขในการทำอุโบสถที่ไม่ต้องอาบัตเกี่ยวกับไม่รู้ว่ายังมีภิกษุอื่นอยู่อีกจึงทำอุโบสถไปก่อนรวม15ข้อ47แล้วส่งแสดงเงื่อนไขในการทำอุโบสถที่ทำด้วยบริสุทธิ์ใจแต่ก็รู้ว่ายังมีภิกษุอื่นอีกยังไม่ได้มาทำอุโบสถคงปรับอาบัตทุกกฎเฉพาะภิกษุผู้สวดรวม15้าข้อ ส8แล้วส่งแสดงเงื่อนไขในการทำอุโบสถเหมือนข้อส7เจ็ดแต่สงสัยว่าจะเป็นการควรหรือไม่แล้วขืนสวดปาติโมะคงปรับอาบัตทุกกฎเฉพาะผู้สวดรวมสิบห้าข้อ 49. ิแล้วส่งแสดงเงื่อนไขในการทำอุโบสถเหมือนข้อส8ิบแแต่รังเกียจหรือค้องใจว่าจะเป็นการควรหรือไม่ แล้วขืนสวดปาติโมก ค, คงปรับอาบัตเฉพาะผู้สวดรวม15้าข้อห0แล้วส่งแสดงเงื่อนไขในการทำอุโบสถเหมือนข้อ49แต่มุ่งให้แตกแยกกันแล้วขืนสวดปาติโมกปรับอาบัตทุนลัดใจเป็นอาบัตที่แรงกว่าทุกกฏแก่ภิกษุผู้สวดรวม15ข้อห1อด แล้วส่งแสดงเงื่อนไขแบบต้นๆระหว่างภิกษุที่อยู่ประจำวัดกับภิกษุท in ี oco, so ่อยู่ประจำวัดระหว่างภิกษุที่อยู่ประจำวัดกับภิกษุอาคันตุกะระหว่างภิกษุอาคันตุกะกับภิกษุที่อยู่ประจำวัดและระหว่างภิกษุอาคันตุกะกับอาคันตุกะรวมเจ็ดร้อยข้อ52และส่งแสดงเงื่อนไขการนับวันอุโบสถ14่ค่ำ หรือสิบห้าค่ที่ภิกษุอยู่ประจําวัดกับภิกษุอคันตุกะมีความเห็นแตกต่างกันให้อนุโลมตามภิกษุข้างมากเป็นต้นอีกหลายร้อยข้อ53ในที่สุดทรงแสดงหลักการที่ไม่ให้ผู้ไม่สมควรนั่งร่วมอยู่ด้วยในการสวดปาติโมกในวันอุโบสถรวม22ข้อ ที่ไม่ให้สวดปาติโมกเช่นมีนางภิกษุณีนั่งอยู่ด้วยเป็นต้นหมายเหตุจากหนังสือการลำดับเลขแต่หนึ่งถึงห้าข้อนี้ลำดับเอาเองเพื่ออ่านเข้าใจง่ายถ้าจะลำดับให้พิสดารตามที่ทรงบัญญัติทุกข้อก็คงจะถึงจำนวนพันข้อ